บทภาชณีปาจิตตี890ริภิกชณีทำภาพน้ำที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัติภาจิตตีภิกชณีใช้ผู้อื่นให้ทำภาพน้ำที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัติภาจิตตีภิกชณีทำภาพน้ำที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัติภาจิตตีภิกชณีใช้ผู้อื่นให้ทำภาพน้ำที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จ ต้องอาบัตปลาจิตตีทุกทุกกฎพิกษุนีทำเองหรือใช้บุนให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัตทุกกฎพิกษุนีได้ภาพน้ำที่บุนทำไว้มาใช้สอยต้องอาบัตทุกกฏ